คอลัมน์เขียนให้คนเป็นเทวดาตอนที่สี่วิธีตั้งชื่อเรื่องให้แตกต่างและโดนใจในบทแรกคุณฝึกออกตัวซึ่งจะเป็นการใช้มือทำงานปิดสมองไว้ชั่วคราวฉะนั้นหากสังเกตใจตัวเองจะไม่มีความคิดว่าไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะมือมันขยับไปเองได้เหมือนปากพูดส่วนบทที่สองเป็นการฝึกเข้าเส้นชัย ถ้าคุณหัดร่อนทองออกมาจากกรวดหินดินทรายเป็นสังเกตใจตัวเองอีกทีจะพบว่าร p r a s จากความคิดว่าไม่รู้จะจบอย่างไรเช่นกันเพราะในกองทองย่อมมีซักก้อนที่โดดเด่นพอจะเป็นบทสรุปทางความงามเสมอการเข้าเส้นชัยด้วยวิธีร่อนทองทำให้คุณรู้ว่าความคิดส่วนใหญ่ของคนเราเต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระและขยะส่วนเกิน และนั่นน่าจะทำให้คุณตระหนักว่าคนที่เขียนอะไรแล้วเอาหมดเสีได้ไปหมดไม่มีทางเป็นนักเขียนที่ดีได้เลยนักเขียนที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องฝึกร่อนทองหาวัคทองจากกองขยะด้วยกันทั้งสิน้นพวกเขาไม่เสียดมเสียดายกำลังงานและเวลาที่หมดไปกับการเขียนทิ้งเขียนว้างเพราะมันไม่ใช่ความสูญเปล่าแต่นั่นคือช่วงแห่งการใช้เวลาฝึกตน ให้เป็นผู้คิดเป็นและคัดเป็นต่างหากเมื่อคิดเป็นและคัดเป็นคุณจะพบว่าตัวเองเกิดความสามารถในการตั้งชื่อเรื่องให้โดนใจกับเขาได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องอาศัยพรสวรรค์หรือรอโชคช่วยเหมือนชะตาจับยัดแต่อย่างใดอย่าลืมว่าบทนี้เราพูดถึงวิธีตั้งชื่อเรื่องให้แตกต่างและโดนใจฉะนั้นต้องเน้นกันว่า เราไม่ได้คุยกันแค่หลักการตั้งชื่อให้ตรงตามแนวเรื่องแต่เป็นการค้นหาแรงประทะที่มีพลังพอจะเตะตาสะดุดใจคนเห็นในวินาทีแรกท้าทายเขานึกอยากอ่านเพื่อพิสูจน์ว่าเนื้อหาสมชื่อหรือไม่ซึ่งคุณไม่อาจตั้งชื่อได้ขนาดนั้นปราบเท่าที่ไม่เคยฝึกคิดและคัดให้มันใช่เสียก่อน 1. วิธีคิด หมายถึงการจงใจคิดให้แตกต่างและโดนใจโดยคุณมีทิศทางและขอบเขตเนื้อหาอยู่ก่อนแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆอยากให้คนอ่านเกิดแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้ชุ่มปอดคุณก็อาจใช้คำว่าท่องเที่ยวเป็นตัวยืนรงคิดคิดคิดว่ามีคำแวดล้อมหรือคาเกี่ยวข้องอะไรอยู่บ้าง ทั้งที่เป็นคำนามและคำกริยาหากคิดไม่ออกหรือขี้เกียจคิดก็อาจใช้วิธีง่ายๆโดยเข้าไปที่ google.com และค้นหาคำว่าท่องเที่ยวเอาดือ้อนั่นแหละคุณจะพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าท่องเที่ยวมากมายและในแต่ละเว็บก็จะมีคำหลักๆมาเสนอให้เลือกอย่างในส่วนของคำนามก็เช่นเทศกาลที่พักโรงแรมสายการบินในประเทศนอกประเทศอากาศพยานใหญ่ รวบรวมมาเยอะๆถ้าถึงร้อยคำได้ยิ่งดีจากนั้นก็รวบรวมคำกริยาที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านั้นเช่นเดินทางค้นหาเช่าเดินป่าดำน้ำไปยานใหญ่คุณอาจเขียนคำเหล่านี้ใส่กระดาษหรือใส่โปรแกรม o ว d ก็ได้ขอให้เห็นแล้วจุดประกายความคิดได้หลากหลายที่กรอบจำกัดออกไปมากๆก็แล้วกันอย่างในกรณีนี้ ผมบอกแล้วว่าเราต้องการเขียนเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ชุ่มปอดเมื่อมาเจอคำว่าอากาศเข้าก็นึกถึงอาการของนักท่องเที่ยวเมื่อลงจากรถก็มักสูตรอากาศกันด้วยความสดชื่นผมก็ได้ไอเดียแรกทันทีว่าชื่อเรื่องอาจเป็นสูตรอากาศใหม่ซึ่งให้ทั้งข้อมูลและแรงบันดาลใจในตัวเอง หากจะเขียนบทความผมอาจเอาเลยไม่เสียเวลาคิดให้มากมายไปกว่านี้แต่ถ้าเป็นการเขียนหนังสือก็อาจจำเป็นต้องตั้งชื่อด้วยเทคนิควิธีเดียวกันเอาไว้เผื่อเลือกอีกสักสิบชื่อหรืออาจเป็นร้อยชื่อถ้ายังไม่แตกต่างและโดนใจพอขออนุญาตใช้หนังสือตัวเองเป็นการยกตัวอย่างแบบเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับพะรู้แน่ๆว่ามีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างไร ครั้งหนึ่งผมอยากเขียนแนวการปฏิบัติธรรมเพื่ออ่านเข้าใจง่ายตามหลักสติปัฏฐานสี่แต่ถ้าตั้งชื่อแบบมีคำว่าการปฏิบัติธรรมหรือสติปัฏฐานสี่อยู่ด้วยคงน่าเบื่อและเห็นเห็นกันอยู่กลาดเกลื่อนแล้วผมต้องการชื่อที่แปลกออกไปและที่สําคัญต้องสะดุดตาหน่อยแต่คิดอยู่หลายอาทิตย์จนแล้วจนรอดก็ไม่รู้สึกว่าใช่สิยที คิดเล่นๆคิดเรื่อยๆระหวังว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระตุ้นให้ผลไม้เห็นความคิดสุขงอมและหล่นลงมาโดนใจเข้าเองต้องเล่าให้ฟังเป็นพื้นสักนิดหนึ่งจากความคุ้นเคยกับแวดวงการภาวนาปฏิบัติธรรมมานานผมทราบดีว่าข้อสงสัยในใจคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเช่นนักภาวนามือใหม่อยากรู้ว่าตนมีสิทธิ์บรรลุธรรมไดในชาตินี้ไหมความเป็นเพศหญิง จะเหมือนเครื่องขวางการบรรลุธรรมหรือไม่แล้วถ้าบรรลุธรรมจะต้องใช้เวลาสักกี่สิปีกันไปยานใหญ่คาถามเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ถามกันมานานแล้วก็มีคำตอบที่ตอบกันมาตั้งแต่สมัยพุท ธ, ธกาลแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เป็นที่เปิดเผยในที่โล่งแจ้งกันสักทีต่างก็งึมงํางึมงําอยู่ในที่ลับเฉพาะกลุ่มย่อย น้อยแห่งจะอ้างอิงพุทธพจน์ซึ่งปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรแท้ๆอันมีใจความโดยสรุปคือถ้าใครก็ตามจเจริญสติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างเต็มที่อย่างช้าภายในเจ็ดปีต้องบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นพระอนาคามีไม่ต้องวนกลับมาเกิดให้ลำบากในภพมนุษย์นี้อีกผมทราบคําคตอบอยู่แล้ว แต่ไม่เคยคิดจะนํามาตั้งเป็นชื่อหนังสือกระทั่งวันหนึ่งกําลังอ่านใบโฆษณาหนังสือใหม่พบหนังสือเล่มหนึ่งจําชื่อไม่ได้ถนัดแต่ประมาณว่า80วันเพื่อการเป็นกุ๊กมือฉังที่แรกผมอ่านผ่านๆแต่แล้วก็ถูกคิดว่าผมเขียนหนังสือและบทความมาหลายเรื่องยังไม่เคยขึ้นต้นชื่อหนังสือด้วยตัวเลขสักทีอีกหน่อยน่าจะคิดทํากับเขาบ้าง คงเท่ดีเหมือนกันความคิดที่ผุดขึ้นโดยอัตโนมัติในลำดับถัดมาคือเชื่อมโยงแนวการปฏิบัติธรรมเข้ากับตัวเลขผมแค่นึกนิดเดียวว่าตัวเลขใดเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมภาวนาในพุทธศาสนาบ้างคำตอบก็พโล่งออกมาทันทีว่าเลขเจกล่าวคือพระพุทธเจ้าตรัสถึงระยะเวลาในการเจริญสติให้เข้าถึงมรรคผลว่า อย่างช้าเจ็ดปีอย่างกลางประมาณเจ็ดเดือนและอย่างเร็วประมาณเจ็ดวันต้องได้มักได้ผลขั้นสูงเป็นแน่แท้ถ้าเอาอย่างกลางๆสำหรับคนทั่วไปก็ต้องว่าเจ็ดเดือนสามารถบรรลุธรรมกันได้ผมตาสว่างและได้ชื่อหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรมในฉับพลันนั่นเองชื่อหนังสือยิงจุดประกายให้เห็นโครงสร้างและเนื้อหาทั้งหมดอีกด้วยการนี้ ผมควรแต่งเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจให้เข้าสู่โลกของการปฏิบัติธรรมภาวนาและฉายให้เห็นว่าผ่านวันผ่านเดือนของการปฏิบัติตามพระพุทธองค์สอนแล้วเกิดประสบการณ์ภายในอย่างไรผ่านอุปสรรคไปได้ท่าไหนใช้เวลานานช้ากี่วันกี่เดือนจึงบรรลุธรรมตามระยะแห่งพุทธบัยากรในมหาสติปัฏฐานสูตร เนื้อหาของทั้งเรื่องแม้เป็นสิ่งที่ผูกขึ้นแบบนวานิยายนะว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ล้วนเป็นประสบการณ์ตรงของครูบาอาจารย์ตลอดจนผมเองและสหายธรรมหลายต่อหลายท่านฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนอ่านได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเข้าใจไขปัญหาและข้อสงสัยต่างๆได้เป็นขั้นๆและที่สาคัญคือเชื่ออย่างมีเหตุผลรองรับว่า พุทธพยากรในมหาสติปทานสูตรเป็นจริงได้อย่างไรสรุปคือวิธีคิดคุณอาจได้ชื่อหนังสือที่เป็นทั้งคําตอบให้กับข้อสงสัยของคนส่วนใหญ่และเป็นทั้งคําท้าให้พิสูจน์ความจริงอันเป็นแก่นสารของพุทธศาสนาขอเพียงจับประเด็นถูกว่าสิ่งใดน่ารู้สิ่งใดเป็นข้อสงสัยของคนสิ่งใดที่เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจถ้อยคําทั้งหมด ลวนลอยรอในอากาศอยู่แล้วทำอย่างไรคุณจึงจับฉวยพวกมันมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจคนอ่านให้ได้เท่านั้น 2. วิธีคัดหมายถึงการใช้ชีวิตตามปกติรับการกระทบจากโลกและปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาทางความคิดตามสบายไม่คาดคั้นตัวเองว่าจะต้องได้ชื่อเรื่องเด็ดเมื่อนั่นเมื่อนี่ขอแค่มีสติคอยดักความรู้สึกพิเศษ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่ปล่อยให้หลุดลอยไปเปล่าๆคุณจะพบว่าตามธรรมชาติแล้วเมื่อใดเกิดความรู้สึกพิเศษเมื่อนั้นมักมีกลุ่มคำหรือวลีพิเศษเกิดร่วมด้วยเป็นเงาตามตัวถ้าวลีใดวลีหนึ่งแตกต่างและโดนใจมากพอมันก็อาจขยบฐานะจะคลื่นลมในหัวมาเป็นชื่อหนังสือติดปากคนได้ง่าย ยกตัวอย่างของจริงมีอยู่วันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์ขอให้เขียนอะไรสั้นๆให้คนใกล้ตายได้อ่านซึ่งวูบหนึ่งผมนึกเห็นดีเห็นงามเพราะที่ผ่านมาเขียนให้แต่คนเป็นซึ่งนึกว่าจะเป็นไปอีกนานไม่เคยตั้งใจเขียนให้คนที่นึกว่าจะตายอยู่รอมรอสักทีแต่ผมก็คิดไม่ออกไม่ตกลงใจว่าจะเขียนอะไรเนื่องจากช่วงนั้นมีงานจองเวลาทางานของผมหลายชิ้นอยู่แล้ว กระทั่งนานเป็นเดือนจู่ๆก็แว บ, บนึกถึงญาติของผู้ขอขึ้นมาว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือยังกับทั้งเกิดความเสียดายขึ้นมาอย่างประหลาดที่จนแล้วจนรอดผมก็คิดไม่ออกสัทีว่าจะเขียนอะไรให้คนใกล้ตายได้อ่านขณะคิดนั้นผมกําลังเดินไปอาบน้ําตามปกติความรู้สึกที่ผสมกันระหว่างความอยากเขียนให้คนใกล้ตายอ่านกับความเสียดายถ้าหากบุคคลพว้นั้น เสียชีวิตไปซะก่อนผมเขียนเสร็จก็เกิดเป็นอาการคัดคํามาผสมกันโดยไม่ตั้งใจหลายคนคงเคยได้ยินชื่อหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านหน้าที่กล่าวมาข้างต้นก็คือต้นตอของชื่อหนังสือเล่มนี้มันคือวันที่ผมไม่ได้ใช้ความสามารถทางการคิดแต่รู้จักคัดอวรชทองที่ลอยผ่านเข้ามาในหัวไว้ไม่ปล่อยให้หลุดลอยไปก็เท่านั้น ตอนอาบน้ําผมนึกครึ้มที่คิดชื่อเรื่องได้แม้ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่ามันจะน่าสนใจสําหรับคนทั่วไปสักแค่ไหนอย่างน้อยก็เกิดโครงสร้างหนังสือขึ้นมาแล้วคือคําถามพื้นพื้นเช่นคนเราอยากรู้อะไรบ้างชนิดที่ถ้าไม่ได้คําตอบแล้วน่าเสียดายหากตายไปเสียก่อนเกิดมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรตายแล้วไปไหนได้บ้างถ้ายังต้องอยู่ ควรทอย่างไรดีนี่แหละที่คุยกันไม่จบพุทธเรามีคำตอบให้คนที่ยังไม่ตายเพียงแต่คนส่วนใหญ่แม้ชาวพุทธที่ไปวัดเกือบทุกอาทิตย์ก็ไม่ทราบจะหามาจากไหนมีเกรดอยู่นิดนึงที่ถือโอกาสเล่าให้ฟังตอนอยู่ในห้องน้ำผมนึกว่าได้ชื่อเรื่องน่าสนใจอย่างเนี้ยคงไม่หนีจากหัวผมไปไหนแน่แต่พอออกจากห้องน้าก็แทบลืมอย่างสนิทว่าเมื่อกี้คิดอะไรออก แบบว่ามันเป็นการผสมคําที่ผมเคยได้ยินมาจากไหนเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีจึงเลือนหายคล้ายกับที่คุณชราใจนึกว่าจะสามารถจดจำเลขสิบหลักได้แต่ความจริงคืออาจจะไม่ได้ผมรู้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ชื่อนั้นหลุดลอยไปกับสายลมก็คงเป็นความน่าเสียดายอย่างไม่มีอะไรเกินยังโชคดีครับหลังจากเค้นนึกอยู่พักใหญ่ก็จาได้ รีบปรี่ไปที่โต๊ะหนังสือเพื่อจดไว้ทันทีไม่ปล่อยให้หลุดจากหัวซ้ำสองอีกแล้วและนับจากนั้นผมจะต้องมีอุปกรณ์บันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวอยู่ตลอด24ชั่วโมงทุกวันนี้แม้เข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำคุณก็จะเห็นผมพกเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยไม่ใช่เพื่อให้ความสำคัญกับการรอรับโทรศัพท์นักหรอกแต่ไม่อยากให้พลาดทองคาที่อาจผ่านเข้ามาให้คัดกรองไว้อีกต่างหาก ทุกวันนี้ผมเขียนคอลัมน์คิดจากความว่างลงในเนชั่นสุดสัปดาห์ทุกอาทิตย์ซึ่งก็จำเป็นต้องตั้งชื่อให้แต่ละตอนคุณอาจเข้าใจว่าผมคิดหรือคัดชื่อเรื่องอาทิตย์ละครั้งแต่ความจริงคือผมคัดอยู่ตลอดเวลาแต่ละวันอาจได้ชื่อเรื่องถึงสองสาชื่อซึ่งแน่นอนผมบันทึกไว้ถ้ามันฟังดูน่าสนใจมากผมก็อาจรัดคิว อาจยอมเสียเวลาสักครึ่งวันเพื่อคิดถึงเนื้อความทันทีและมันก็มักจะได้ผลหลายชื่อเรื่องมีพลังแม่เหล็กมากพอจะดึงดูดให้อยากอ่านผมเองเมื่อเขียนก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่างไฟต่างตกอยู่ภายใต้บรรยากาศความน่าสนใจทั้งคนเขียนและคนอ่านถึงตรงนี้คุณอาจตั้งข้อสงสัยว่าอะไรเป็นตัวตัดสินว่าชื่อที่คิดและคัดแล้วนั้น ใช้ได้หรื อ, อยังคำตอบคือความรู้สึกครับความรู้สึกเป็นแกนนำสำคัญในการตัดสินว่าชื่อที่คิดและคัดออกมาได้นั้นใช่หรือไม่ใช่ขอตั้งข้อสังเกตว่าชื่อเฉียวเฉียวที่แหวกแนวเอาความเก๋ไก่เข้าว่าโดยไม่สนใจความรู้สึกว่าใช่แล้วหรื อ, อยังมักถูกมองยิ้มยิ้มและผ่านไปโดยไม่มีใครใยดี คุณจำเป็นต้องฝึกคิดและคัดชื่อเรื่องไว้เผื่อเลือกมากๆใช้ความรู้สึกในการเปรียบเทียบมากๆว่าอันไหนใช่กว่ากันเมื่อผมแนะนำวิธีตั้งชื่อให้น้องบางคนที่มีไฟในการเป็นนักเขียนผมจะบอกให้เขาหัดผสมคำแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะเขียนเอาคำโน้นมาผสมคำนี้อย่าได้หยุดคิดให้ได้สัก500ร้อชื่อเพื่อคัดกรองเอามาเลือก ต้องมีซักชื่อที่แตกต่างและดดนใจอย่างแน่นอนและคุณจะพบว่าวิธีสร้างตัวเลือกนับร้อยเช่นนี้ต้องได้ผลเสมอใครบอกคุณว่าชื่อเรื่องไม่สําคัญไม่เป็นเหตุให้คุณค่าของหนังสือเพิ่มหรือลดลงก็ขออย่าได้เชื่อเขาเด็ดขาดนะครับต่อให้เผยแพร่ให้อ่านบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆก็ใช่จะมีใครอยากอ่านเรื่องของคุณเพียงเพราะมันเป็นของฟรี อย่างน้อยคนอ่านก็ต้องจ่ายด้วยเวลาในชีวิตของเขาคิดดูถ้าเป็นตัวคุณเองเห็นโจหัวบทความระหว่างศา ส, สนาพุทธอั น, น่าห่วงแหนของเรากับศาสนาที่มีคำตอบให้กับทุกข้อสงสัยคุณจะเลือกอ่านบทความไหนก่อนเห็นชื่อบทความแรกคุณอ่านนึกถึงพวกคลั่งศาสนาที่พร้อมจะพร่ำพันรนาว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นสุดพิเศษเพียงใด ในขณะที่เห็นชื่อบทความหลังแล้วอยากรู้ว่าคนเขียนจะเขียนตอบข้อสงสัยอันใดให้คุณได้บ้างสรุปนะครับถ้าเริ่มต้นไม่สะกิดใจไม่เตะตาไม่กระช่าความอยากรู้อยากเห็นออกมาจากจิตใจที่ว่างเปล่าของคนอ่านก็คาดหมายได้ว่าเรื่องของคุณจะวางปะปนกับเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากอ่านอีกเป็นล้านๆแม้เนื้อหาข้างในอาจน่าสนใจที่สุดในโลกก็ตาม ดังตริน้นดวยแมเป็าา